พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่29โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่17กันยายน2555มีชื่อเรื่องว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาวันนี้พวกเรา เห็นคู่บาคงจะบางตาวันนี้พระไม่ลงมาชั้นส6รูป น, นตามรายงานที่เขาเขียนบอกหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อเคยพูดต้องมีหนักแล้วก็มีเบาแต่เบาตลอดก็ไม่ได้หนักตลอดก็ก็ดีเหมือนกับเรากึ้นไปชกมวยอย่างนั้น่ะ ทางกิเลสมันเพียงพ้มแล้วเราถอยมันฮนะกิเลสมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกนะต่อมาเราก็เลยเป็นคนแพ้กิเลสตาหาว่าขึ้นไปบุกหนักแล้วกิเลสมันเกือบจะหยุดแล้วใช่ไหมเกือบมันจะยอมแพ้ต่อยเข่าต่อยเข้าต่อยเข้ากิเลสนอนแพ้สองสลึงเลยฮนะแปลว่าเราทําชนะน็อกนะแต่ตาหาว่า เราพอตีๆเข้าไปสักหน่อยแนละ้วหนักเข้าไปสักหน่อยแล้วก็ถอยมากิเลสมันก็งอกเงยขึ้นมาอีกเอไม่กําลังขึ้นมาอีกต่อยกับเราอีกเผลอๆเราเป็นผู้แพ้ตลอดเลยไม่ใช่ผู้ชนะกิเลสเพราะนั้นเวลาการทําความภาคความเพียรจึงว่าควรจะมีหนักแล้วก็ควรจะมีเบาถามว่าหนักเข้าไปแล้วเป็นยังไงแล้วเราเพียงพำไหม ถ้าเราเอาอกไม่ได้ข่าวนี้เออถอยออกมาก่อนถึงจะหนักมันจะชั้นเชิงกิเลสเป็นยังหนาอยู่แต่เนี้พอหนักเข้าไปพอเห็นว่ากิเลสมันเพียงพั้มแล้วแต่เนี้ยมันนอแนแล้วแตนี้ยแอกระบบใหญ่เลยแต่เนี่ยเราก็ชนะกิเลสได้เนี่นะการประพฤติปฏิบัติธรรมกับลักษณะอย่างนั้นแ่ะคือให้มีหนักมีเบามีหนักก็คืออะไร คืออดนอนผอนอาหารเกิดถึงกลมนั่งภาวนาเมื่อเรานั่งภาวนาถึงมันจะเจ็บปวดเวทนามันเกิดขึ้นมันเวทนาก็จริงแต่มันก็กระเทือนถึงใจกระเทือนถึงกิเลสมือนกันกิเลสมันไม่ชอบมันไม่ชอบที่จะให้เรานั่งอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นธรรมเป็นธรรม เอาชนะเมื่อเรานั่งภาวนากำหนดดูใจของเราชนะกิเลสราคะโทสะโมหะโลกโกรธหลงดูใจของตอนเองเดี๋ยวนี้ใจของเรามันฟันไหวควยแคว่งด้วยเรื่องอะไรมีสติในเมื่อมีสติจับตัวผู้รู้คือใจอยู่ตลอดใจไม่มีช่องทางที่จะออกไป ใจไม่มีช่องทางที่จะเตะลอดไปทางอื่นเพราะกรรมฐานเรากําหนดให้มันอยู่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมบริกรรมพุทธโทด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใจของเราไม่มีช่องว่างที่จะเล็ดลอดออกไปได้เพราะสติของเราเข้มแข็ง ขณะที่เราบริกรรมให้จับจุดให้แน่เกือบบังคับเข้าขายแล้วก็เข้าขีดตัวบังคับบังคับใจตนเองให้มีสติเอาสติบังคับให้ใจตัวเองให้อยู่คําบริกรรมใายใจเข้าพุทธให้ใจออกโทให้ใจเข้าพุทธายใจออกโท ในเมื่อเราบริกรรมมันไม่มีช่องว่างใจของเราก็เข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพักในการสงบใจของเราก็พักในเรื่องความสงบจากนั้นเราจะพิจารณาทางทางด้านปัญญาเราพิจารณาทางด้านปัญญาออกปัญญาเลยจะเนี่ย แต่บางท่านบางคนก็ถามว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่จะเดินปัญญาอันนี้มันพูดยากนะมันพูดยากถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติแล้วก็ได้รับการศึกษาได้การเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าสมควรช่วงไหนจะออก อ, อวิปัสนาหรือว่าช่วงไหนควรจะทําจิตใจให้สงบจิตสงบและวิปัสนา พิจารณามันต้องต่างกลัมต่างวาระต่างกลัมต่างวาระเหมือนกับเราพักผ่อนนอนแล้จะไปทํางานได้ยังไงขณะที่เรานอนเราพักผ่อนเวลาพักผ่อนก็คือพักผ่อนพักผ่อนก็คือสมัติธรรมหรือสมาธิวิปัจนาก็คือการทํางานออกไปทํางานแล้วจะจัดว่าพักผ่อนได้ยังไงขณะที่ไปทํางานทํางานก็คือเราต้อง ใช้สติใช้ความรอบขอบใช้ทุกอย่างตั้งกำลังกายแขนขาหูตาต้องฟังใจต้องคิดในการทำงานอันนี้ก็คือการเดินวิปัสสนากับลักษณะอย่างนั้นนะท่านเราถามว่าช่วงไหนของควรที่จะเดินเวลาช่วงไหนที่เราจะทำใจให้สงบที่ครูบาอาจารย์ท่านบอก ได้แต่เพียงว่าถึงยังไงพวกเราต้องทําใจให้สงบก่อนเป็นพื้นฐานก่อนถ้าจิตใจมีพื้นฐานแห่งความสงบแล้วใจของเรานิ่พงพอสมควรแล้วถ้านําไปพิจารณาทางด้านปัญญาก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเราใจของเรายังรวนเลยปลงฟุ้งอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะให้ทํางานทําการหรือพิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผลคงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ยากเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ปูุอย่างนั้นเลยทีเดียวก็ เ, เหตุอะไรเพราะใจของเราปุงฝุ้ ง, งไม่อยู่กับตัวเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นฐานาท่านจึงพูดเป็นแบบฉบับเลยว่าศิน อ, อบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญา ถ้เมื่อมีศีลแล้วสมาธิก็เกิดทําไมจึงเกี่ยวถึงศีลด้วยศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยในเมื่อคนมีศีลไม่ทําความผิดด้วยกายด้วยวาจาสํารวมกายสํารวมวาจาคนไม่ทําความผิดในเมื่อคนไม่มีความผิดมองดูแล้วไม่มีความผิดใจของเขาก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งในเมื่อเขานั่งสมาธิ ใจของเขาไม่ได้วิต ก, กังวลในเรื่องราวของเขาที่อดีตที่ผ่านมาที่เขาได้ไปฆ่าใครตีใครดา่าใครไปคดไปโกงใครไปป้นไปจี้ใครอ่าอย่างเนี้ยไม่ได้ทําความผิดแล้วก็วาจาก็ามาได้พูดดา่าใครสอเสียคำหยาบให้ใครใจกายวาจาของเราก็อยู่ในความสงบเป็นสินในเมื่อกายวาจา ไม่ทําความผิดใจของเราย้อนดูเราไม่มีความผิดจิตใจของเรากิดเข้ามาอยู่ในสมาธิในระดับหนึ่งเพราะว่าเรามองดูแล้วกายวาจาของเราไม่ได้กระเพื่มไปในทางที่ไม่ถูกต้องจากนั้นเรากําหนดใจของเราเพราะมันไม่ปิจบกังวลสิ่งภายนอกแล้วมันมีแต่เรื่องของใจพอกําหนดถึงใจใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ เพราะไม่วิตกกังวลในเรื่องเรารอบด้านและการเป็นอยู่ของตนเองเมื่อใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานเมื่อเป็นหนึ่งแล้วนำใจที่ผ่านความสงบนำมาคิดถึงมากันกลองไตรตรองถ้าเราจะกันกลองไตรตรองเรื่องของทางโลกก็จะชัดเจนอีกเหมือนกันเมื่อใจิตใจรวมสงบแล้วรวมสงบ เราจะการกลองไตรตรองเรื่องทางโลกเรื่องทางโลกนั้นเรื่องอะไรสมมติว่าวิถีชีวิตของเราเราจะเดินอย่างไรเราเดินมาอย่างนี้มันผิดมันมีปัญหาสมมติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นตอนนี้เมื่อเราทําจิตใจให้สงบแล้วก็นํามาคิดคลี่คลายดูว่าเองปัญหาชีวิตของเราที่ผ่านมาในจุดนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่มาถึงจุดนี้มันเป็นอย่างนี้จุดนั้นมันเป็นอย่างนั้นจะแก้ไขอย่างไรจะทํำยังไงจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ในวิถีชีวิตของเราที่ผ่านผ่านมาลักษณะอย่างนั้นอันนี้เมื่อเราจิตใจของเราเป็นสมาธิเราก็จะมองเห็นได้อีกเหมือนกันว่าจุดไหนที่มันดำจุดไหนที่มันด่างจุดไหนที่มันโค้งจุดไหนที่มันตรงจุดไหนที่ควรทำอย่างไรกับคู่คนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราถ้าเราใจของเรามีสมาธิใจของเราไม่ปุ่งฟุง้งเราก็จะมองเห็น ความผิดความถูกของเราอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าใจของเราฟุ้งตลอดเราจะมองเห็นแต่ความผิดของคนอื่นมันจะมองไม่เห็นความผิดของตนเองเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่เป็นสมาธิบางทีก็ยกตัวเองข่มคนอื่นอีกบางทีก็ยกคนอื่นจนเกินไปจกคนนั้นข่มคนนั้นจนเกินไปคนเรามต้องมีผิดมีถูกมันต้องมีเรื่องมีเราต้องมีเหตุมีผลในเรื่องนั้นๆ สมควรจะไปยังไงจะทํำยังไงมันก็ต้องหาเหตุผลการดําเนินในช่วงนั้นๆถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิเราก็อาไปใช้ได้ในการดําเนินชีวิตของเราแต่นี่เมื่อเราจิตใจของเราสงบนั่นคือการพิจารณาทางโลกถึงจะพิจารณาอย่างไก็ไม่มีที่สิ้นจุดทางโลกพิจารณาถูกผิดยังไงมันก็อยู่ในโลกแต่ถ้ย้อนมาหาทางธรรมสบัดมหาทางธรรมวิถีชีวิต ในใจของเราเราหลงอะไรเนี่ในเมื่อเราพิจารณาส่วนนั้นแล้วเรามาพิจารณาถึงตัวของเราเดี๋ยวนี้เราหลงอะไรเราโลภอะไรเราโกรธอะไรกิเลสราคะโทสะโมหานโลภโกรธหลงมันอยู่ที่ไหนเพราะอะไรย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจเนี่ใจคือนมามธรรมตัวที่ตัวปิดทำจิตใจให้สงบที่ผ่านความสงบไปแล้วนั้น นั้นนำมาพิจารณาใจตัวเองในเมื่อพิจารณาใจของเราเนี่ยใจของเรามันหลงอะไรแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าหลงกายเน่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงพระบวชเข้ามาใหม่หรือสัมมาเนนที่บวชเข้ามาใหม่ท่านจึงให้กรรมฐานห้ากรรมฐานห้าคื อ, คอเกสาผมโลมาขุนะคะเลปทันตาปันตะโจหนัง นี่แหละอันนี้แหละคือมันหลงเนี้ยคนเรานะมันหลงตัวนี้นี่แหละเมื่อจิตใจผ่านความสงบมาแล้วเดินวิปัสนาคือให้คิดให้พิจารณาให้แยกแยะให้คิดคลายดูร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าจนถึงฝ่าเท้าในร่างกายที่หนังหุ้มอยู่โดยรอบมีอะไรบ้างแต่ร่างกายนี้จะอยู่นานสักเท่าไหร่อีกสักวันหนึ่ง ร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องแตกสลายตายลงสู่ดินน้ำลมไปไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายทำไมใจของเราจึงร่มหลงมัวเมาไปคิดอะไรมากมายนักหนาว่าตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไม้มหึกใจทีนี้เมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิาผ่านความสงบมาแล้วมันพิจารณาอะไรมันจะมั่นใจเลยเออมันเหมือนกับน้ำไหลมันไหลลงช่องเดียวอย่างนั้น ไหลลงช่องเดียงอย่างแรงอย่างเงี้ยแม้วมันสามารถที่จะเจาะแผ่นดินแผ่นหินได้ที่มันกระแทกอย่างแรง ๆ, ๆเหมือนกับเขาเอาออกซิเจนตัดเหล็กอย่างนั้นอ่ะถ้ามันออกฟู่ฟูไปมันก็ตัดเหล็กไม่ได้แต่มันลงช่องเดียวเจนเขียวปัดแผ่นเหล็กหนามันยังตัดได้นี้ก็เหมือนกันใจที่ผ่านสมาธิใจที่เป็นหนึ่ง อย่างแน่วแน่จะพิจารณาเรื่องอะไรพิจารณาเห็นกายก็เห็นกายอย่างชัดเจนเห็นความแก่ก็เห็นแก่ชัดเจนพิจารณาเห็นความตายก็ตายอย่างชัดเจนมันออกมาจากใจจริงๆเือมันออกมาจากในใจออกด้วยปัญญาของเราจริงๆเห็นจริงๆในเรื่องไม่ได้สงสัยเลยว่าร่างกายนี่จะเป็นแท่งทองต่อไปภายภาคหน้ามันไม่ได้เห็นว่าร่างกายนี่จะเป็น สมบัติมหาสารต่อไปภายภาคหน้ามันมีแต่อแก่แล้วก็เจ็บตายสลายในที่สุดเห็นชัดเจนในความกติพิจารณาเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นก่กานกองเมื่อไรใตท้องเมื่อไหรก็เห็นเมื่อนั้นถึงจะไม่กานกองไ ต, ต่ฟองมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่แหละเมื่อใจเราผ่านสมาธิคือความสงบแล้วเราจะเห็นร่างกายของเราได้ชัดเจนในเมื่อเห็นร่างกายของเราชัดเจนร่างกายเนี่ย ไม่นาาไว้ใจอีกสักวันหนึ่งไม่ว่าวันไหนล่ะแหมมันจะต้องแตกถูกที่น้ํำลงไปจากนั้นใจของเราก็สิ่งอื่นล่ะแหมสิ่งอื่นล่ะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายวงศ์สักานาญาตญาติพิสหายวัดวาศาสนาถ้าเป็นหลวงพ่อเนี่ยจึงวัดวาศาสนาครูบาอาจารย์หมู่พกเพื่อนเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมใจญ่แหมันก็บอกว่าไมาา่ใจ ขนาดร่างกายตัวเองยังไม่เป็นของเราอยู่แล้วเราจะไปแบกอย่างนั้นมาเป็นของเราใช่ไหมถ้าคิดไปก็โง่เท่านั้นเองแต่ในมันใจมันบอกเลยอันนี้คือภาษาธรรมคือภาษาใจพูดง่ายๆเรื่องธรรมเนี่ยคือเป็นภาษาใจของตนเองนะถ้าเราไปพูดออกข้างนอกไม่ได้ผิดถ้าพูดออกไปเท่านอ้นเป็นเพี่งแต่เราอบรมแนะนําสั่งสอนวิถีวิถีการแนะนําสั่งสอนอย่างหลวงพ่อโพูดนี่แหละวิธีคิดต้องคิดอย่างนี้อันนี้คือธรรม แต่ถ้าเราไปพูดออกทางโลกไปเลยโดยที่ไม่ได้พูดในจุดอย่างนี้นะี่แปลว่าผิดเนี่ยพูดเข้าไปกัน น, นะนั่นแหละเออเขาเพ่งมองไปอีกแบบหนึง่งเผลอๆก็จะหาว่าคนที่พูดน้าบ้าเออบ้าเนี่ ย, ยมันจะไปทางบ้าแลยใไนีน่โลกเขาจะเพ่งมองอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อเราพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อพูดพวกเรากันกรองไตรตรองดูสิว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหม ผูกไหมที่หลวงพ่อพูดเนีหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นเมื่อเราพิจารณาถึงใจของเราตัวของเรายังไม่ใช่ของเราและสิ่งอย่างอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรนในเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้มันก็ปล่อยวางข้างนอกก่อนปล่อยวางข้างนอกแต่เมื่อเราไม่ใช่ของเราอย่างนั้นเราจะไปยึดได้อยงยึดให้งโง่ยึดไห้ทุกทําไมจากนั้นก็มา ปล่อยวางที่ใจของตัวเองอีกใจของเราเนี่ยเป็นอันิจังทุกขังอนัตตานะเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็เกียดเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็ขาวมันเกิดอยู่ที่ใจของเราปรับปรับปรับปรับปรับพลิกไปพลิกมาอยู่ใจของเราเกิดอยู่ในกฎอันติจังเหมือนกันอันิจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันม่ใช่ตัวตนของเราอีกเหมือนกันนะสึ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นม่ใช่ตัวตนของเรา วางกระทั่งใจวางกระทั่งตัวผู้รู้วางกระทั่งความรู้สึก่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เมื่อเราวางแล้วเมื่อเราเรียนเรารู้เราหัดวางแล้วความรู้เรือสิ่งที่เสิ่งที่รู้เหนือความรู้ตัวนั้นอีกมันจะเกิดขึ้นที่ตัวของเราในใจของเราเองหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับสักก่อนเราไม่รู้หนังสือพอเรารู้หนังสือ รู้ความหมายของหนังสือความไม่พูพนั้นก็ตกไปในความรู้ในก็นอยู่ในดูในใจของพวกเรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อเราปล่อยวางสิ่งไม่ดีสิ่งที่อวิชชาคือตัวโง่คือความไม่รู้เมื่อเราวางตัวนั้นตัววิชชาคือความรู้ก็จะเกิดขึ้นในใจของท่านผู้นั้นเป็นเต็มไปด้วยวิชชา นะครขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดไปที่ไหนไหนวันยังค่ําคืนยังลุกตลอดกลับตลอดกันมากมายขนาดไหนก็ไม่หนีจะกลายกับใจนะถ้าพูดออกนอกเหนือจากนี้ไปแล้วผิดผิดผิ ด, ผดเลยผิดที่ผิดทางถูกยุทถูกในระดับหนึ่งอคล้ายๆว่าเราพูดถึงต้นไม้พูดถึงอใบถึงดอกถึง เก่งถึงก้านถึงอะไรแต่ถึงเงาถึงโคนของมันที่เป็นต้นลําขึ้นมามันขึ้นมาจากลากแก้วเนะนี่ยนี่ยขึ้นมาจากรากแก่นี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะพูดริง่งอื่นเราก็พูดเรื่องใบเรื่องดอกเรื่องอะไรในต้นไม้เรื่องกับพี่เรื่องเปลือกไปงั้นแต่ส่วนลึกของธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือเนี่ยกายกับใจสรุปแล้วไม่ใช่กายเป็นเข้ามาถึงใจเลย ตัวผรู้คือนามธรรมจุดนี้แหละเป็นจุดที่พวกเราควรจะศึกษานะท่านนกหรือปล่อยวางอย่างที่หลวงพ่อได้พูดจีตว่าเราก็ตรุ่มบอลกับตรุ่มบอลที่ใจให้ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจความหุดพ้นกิเลสราคะโทสะมันก็อยู่ที่ใจปล่อยตรงจุดนี้เท่งมัดเข้าไปก็คือไตรลักษณ์อันิจ่จางทุกขังอนัตตาเนี่ยมัดที่จะทําร้ายทําลาย วัตจักรจริงๆก็คือนิวเคลียร์นิวตอนจริงๆก็คืออนัตตาน ะ, ะวางอยู่ที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นจุดท่ทันนะนนี่แหละคือมรรคนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายรับพรอนอุนโมทนันหายพร